แต่มนบวชมาแล้วมันสาวอลงมีเกิดการสนใจอะไรแต่นะั้นไปอยู่นี่เราอยูอ่ผู้ดวงไปเรื่อยู่ไปหวังจะผู้ดวงอะไรขอจตุบัตมันทราบเอง น, นี่มันก็ขวางเรื่อยที่นี่คือไม่ไอบโลกไม่ได้สนใจนันมโลกเท่าที่ปวดแล้วมันจะเป็นคนสมบัติยู่ตรงไหน เรผ่านหลวงมาคงทิศสาแเลวมันไเกิดปะโยน์มันก็เหมือนกับไม้ทั้งต้นมันจะไดีขนาดแหนมันก็ดีเฉยเมยเกิดประโยชน์ดีจะชื่อว่าดีเฉยมันไม่เกิดประโยชน์จากคำว่าดีนะทาแล้วมาทาประโยชน์ด้กถากันฟันด้วยตัด ของในช่างไปมันจะต้มีประโยชน์ขึ้นมาเป็นบ้านตันเองไม่ไดคนเหมือนกนันท่านเองก็เหมือนกันถ้าตัวบวชถ้าตัว่ายกไม่สนใจก็ขอวัดปฏิบัติมีแต่ความเกียจขร้านออกหนาวออกตาลนึงเด่มแ้่ความขี้เกียจมากง่ายดึงหลับตามหลักขึ้นในเข้ามาด้วยความขี้เกียจขี้ข้าในเยียดยั่งทาลายแหลกหมด หาคุณสมบัติที่ตรงไหนจากความปรินชาไม่มีสติพระของระพเจ้าไม่ใช่พระแบบนั้นความขยันหมั่นเพียรมีสติตาตางมีความสนใจต่อข้อวัดปฏิบัติที่ขาบทที่ในมีความสนใจจบ่อกับพระวัดคป็นสองซ้อนร้องที่จะปฏิบัติตามเสมอด้วยความคล่องแคล่วด้วยความพอพอใช นันมันถึงจะดีได้เอาแตชื่อแต่นางของพระชื่อแต่นานงพระหลวงมาคุมที่สาตวต่ัวเป็นพระเอาดีในความเป็นพระเพื่อคาพูดด้วยสัญญาลงที่สวยไม่เกิดประโยชนทั้งนั้นป็ะโยชนที่กินไม่ดีนะแค่นั้นบวดพอเป็นเครื่องประกาศให้โลกทราบว่านี้คือเพศนึงแต่เพนะื่อตัวอย่างนั้นอย่างนั้นตามเพศนี้บอกบังคับอยู่แล้วนี่เท่านั้น เหมือนาแต่เนื้อแต่งตัวการต่งการไปงกำลงังแบบหนึ่งทหาราเครื่องแบบหนึ่งเรือนราชการพลเรือนแบบหนึ่งแต่ไม่ดีก็อย่างนั้นเนี่ยเครื่องแบบทำตามหน้าที่เลี้ยวที่ถึงไม่หลังใจตัวธรร ป ฏ, ททปฏิบัติจริงๆทำไมจะไม่รู้มาเองทำู่กยานรพื่อความจรทุกสิ่งทุกอย่างทุกแง่ทุกบุมผู้ปฏิบัติทำไมจะไม่รู้มาเองถ่าจะปฏิบัติจจริงทำหักทำหขบอกคุณผ้เ่ยอันนี้หนุนตอนนอนเสดสันตอนอนว่าพระบอกครัาจ้างก็ตื่นจมูกสร้างตัวกับเขาได้ะมูกมันดง นหนึ่งงานงานไหนจะเป็นงานจะมีจะละเอียดเรา่องของงานของศาสนางานของพระของเนยงานนี้มีทุกอย่างคุณสมบัติที่จะให้งานที่จะให้งานนั้นสาเร็จไปไ ด, ด้ความชื่นชมความอุตส่าห์วิญญ ฉันทักษิยคิดตาอิมังสาพร้อมในงานทุกชิ้นเมื่อชิ้นน้อยชิ้นใหญ่มีสิ่ ง, งนี้จอดแน่นหนามีเสมอความพอใจในหน้าที่การงานของตนมียิยงมีความภาเพียญ์ในงานให้ เ, เป็นเป็นความสำาร็จวิตตากความปรักตั้เป็นความปรับเปใี่ต่องานอีมังสา ความฉลาดที่อ่านแต่จองในงานนั้นๆอย่างคน น, งนี้ถ้ารู้อกทธิบาทเพื่อเพิ่พลงความสำเร็จคืงเป็นงวนตรนี้จ่ากนี้เปไม่ได้อะไรจะสำเร็จก็ต้อง จ, จากจานี้ แรียกจากทำวิชหันเหมือนจากทำสี่อย่างแล้วก็ผลตได้แล้าก็ผลิตเนี่ยับเป็นสมาธิเรียนแต่ชื่อปัญญาก็เรีแต่ชื่อมุติเรียนแต่ชื่ออ่านจะชื่อเรียนแต่ชื่อท่องกันเอาชื่อมาเป็นสมบัติเป็นมรรคนิพพานเป็นความความรอดของตนดินเหนียวติดเขาเขาจะมีหวานขึ้นมาด้ว เพิ่มทิฏฐมานะเพิ่มความสำคัญต น, นยิ่งของรูเขามันเป็นประยชนอะไรอย่างเรียนเพื่อสังคมจริไม่ใช่ เ, เ ร, รียนเคื่อแค่ดีการเรียนเพื่อแค่ดีรู้ที่ตรไหนเข้าใจไหม้พื่นยามปฏิบัติตามนั่นท่านฟ้อนว่ายินดีในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่อ ง, งผัน่นผัดเป็นตน้นแล้วทีนี้เราครอบโลกธาตุแล้ว ไม่ยินดีทําให้มันถึงจะไม่ยินดีเวลาหนี้ผิดมันเป็นไปด้วยความยินดีรูปมันก็ยินดีเสียงมันยินดีกลิ่นมันก็ยินดีรสก็ยินดีทั้งทั้งสัมผัสต่างๆมันยินดีทั้งนั้นจิตมันผัวพันอยู่ด้วยความยินดีตลอดเลวละฟังอย่างลึกเลยการทำให้ยินดีจะแก้ไขในมันถึงไม่ผิดยินดีนั่นแยกไปรู้สติปัญญานี้แล้วมันจะไม่ ร้ายได้ไงท่านบอกว่าให้ยินดีไม่ไม่ยินดีด้วยเหต่ใแล้วถ้าพี่นาจะเหตุใดมันจะไม่ยินดีแต่นี้มันยินดีไม่ยินดียินร้ายนะฟังดีให้ไปรังกาลไม่ติดไม่ชมพี่นาให้รู้จัความจริงของมันรังการความจริงนล้วก็สมมติว่าถ้าเดินทางก็ไม่ได้ออกนอกทางไปโกงแน่เลยแล้วลับมาชินมาอยู่ที่ไม่ยินดียินร้าย พรที่จะไม่ยินดีได้นี่ก็ต้องพิจารณาเห็นทัศนเหตบรูปเป็นยังไรถึงยินดีรูปกระโถนมันไม่ยินดีทำไมไม่ยินดีรูปทั้งล่างทำามไม่ยินดีมันไปทำไมไปยินีในบางสิ่งบางอย่างที่เป็นรูปเหมือนกันเป็นภาพเหมือนกันแยกเย่ดูมันเห็นทุ่งแหน่ทุหมู่มันจะไปไหนนักโลกในความจริงเหมือนกันทั้ง เ่าจริ ง, งเราจำเชื่อถราแม่ก็มันจะชื่อว่าอันนี้ตัวจริง่แนะล้วพระในนนันแหละไอ่ทำจริงเอจริงนราจำตามหลักตามหลักที่ไหนมหาผลมาาไหเกิดไม่ไดาผลรู้ว่าอาจารย์ท่านดำเนินมาดำเ น, นินม เราไม่ยึดหลักยิดครูบาอาจารย์พระพุทธเจาพระธรรมขอมมาเป็นหลักเล้วไปเป็นหลักเลี้ยวไปเลยจิตไม่เคยอยู่กับตัวความคิดมันล้นตัวมันจะว่าเต็มตัวเลยล้นตัวไปไหลไป จใจายตวโรคตัวนาลมันก็ไม่เห็นทําให้ดูคนมยาทั้งต้นมันก็โดนได้ทนได้เพราะไม่เห็นเพราะมไม่ดูนะเพราะตาบอดตาไม่บอดมองไม่เห็น <c oughs> แบบมือมือมองมอ ง, มองไมีก็สติสตัโดนจะดุดจนล้มหัวแตกมันก็ไม่เห็นเขามีอยู่นัมันโดนได้ ไม่ว่ของเล็ของใหา่ถ้าไม่ดูมันเห็นมันทนได้ทนได้ของจริงมันเต็มตัวนี้ทําไมมันไม่เห็นครูสอนไม่สอนผิดเลยอีมมสาลุมานะขาถางตาตะโจดูพื้นดูฐานดูความเป็นอยู่ของมันก็เห็นได้อย่างชัดเจนมันไม่หลงได้อย่างไงค น, นเลยมันหลงอยู่แล้วว่ามันเปีนเกลียวกระทำ ม, มันก็จีบตหลกครบควงฟาดมันไปไปไหน ถ้าเราอยากรู้อยากเห็นของจริงเพาะของจริงมีหรือแค่ใจมันตองกันงหกมันทำไมมันจะไม่จิงการทามันจะฝืนทาไปไหนถ้าไม่ใช่กิเลสพาฝืนเวลานี้เรามาฆ่ากิเลสทาไมกิงต้องให้มันพาฝืนไปเรื่อยฝืนของจริงนั่นดูนถึเถึงผลพิจารณาถึงเหถึงผลด้วยความจริงจังมันทำไมจะไม่ห สิ่งเหล่านี้นะสิ่ความสำคัญบรรหมายต่างๆที่ปีนเดี่ยวกระทำนี่แหละเป็นเครื่องปกปิดจิตใจไม่เห็นก่อนริจะเป็นอะไรมาปกปิดมีอะไรมาปกปิดไม่มีมีความสำคัญมรรหมายตัวเองที่ปีนเดี่ยวทำปิดความจริงไม่มันก็ไม่เห็นทำความยึความแบบความหามทั้งวันทั้งคืนนั้นดีเหลือเกินใจว่าบุญคุณมวยเพ่อเวลา หาคนปลูกที่ไหนมีในรพระสงฆ์พระไม่มีพระจิตไม่สงกมันไม่ะสกด้วยพ่อนลายวิธีกล่องให้สงกค้อนวางเห็นเหตุเห็นผลตามความสมัตย์คจริงแลมันจะเพ่นไปไหนจิตทำไม่เข้าสู่ความสงบหายควงมบนแล้วเข้าสูขข่ความหงบยิ่งอาศฐานนี่เคยพิจารณามาแล้วที่เรียกว่าปัญญารูมาถูก ถ้าได้สงบลงด้วยอำนาจของปัญญาแล้วแนบชนิทแล้วลงด้วยความอดอาหารด้วยถอนขึ้นมาก็อาอาหารสงบธรรมดาเดื่อการสงดทางสมถะให้สงบให้เฉยนมันก็เป็นดีอยางถ้าสงบด้วยปัญญาแล้วมันอดอาหารมากจีิจริงกล้าเสียนออกมาเพราะได้พิจารณาอย่างนั้นได้เห็นผลอย่างนั้นใครจะว่าผิดว่าถูก็แลก็ตาม ความจริงอยู่กับเราเราเป็นผู้พิจนาเราเป็นผู้ได้รับผลเป็นผู้รู้ปุ๋ในสิ่งที่เราเขียนออกมาหรือพูดออกมาเราอาจฐานต่อความจริงที่เราปฏิบัติและที่เรารู้นั้นนี่มันรู้ในจิตแล้วมันจะจะทุกข์ขั้นที่ไหนทํานนมาแล้วก็ไม่สงบทไมไม่สง บ, ไ ม, สงบไม่สงบเพราะอารมณ์อะไร วิ่งไล่ลงมาทั้งหมดบางครั้งันก็สงบลงได้ด้วยการพิจารณาอารมณ์ที่มันวุ่นวายยืมไปวุ่นวายกับอารมณ์นั้นๆอันนี้ก็ไม่เท่าไหร่โดยเวลามันจะหมอบรากทุกคุณทนามันเป็นไฟหมดทั้งตัวเลยอ้าวไปไหนที่จนเกาะถึ่จะไปลักไป ยินดีอะไรจะยินดีได้ไงไฟเผาหอมทั้งร่างกายเป็นไฟปรอออะมงมาเอาตัวรอดด้วยสติปัญญามันก็ตรงนะเพราะไม่ยอมให้หนีไม่ยอมให้ลบว่ตายกับเท่นั้นอ่าถ้าสติปัญญามีเอาหาทางออกด้วยสติปัญญาอย่าหาทางออกด้วยความโง่ความม่าสู้ไม่ได้นี่คือความโง่ะ สู้ไม่ได้แล้วถอยออกมาคือความโม่ยาออกมาเป็นเด็ดขาดหัวขาดให้ขาดไปอะไรไม่มั่นคงให้ขาดไปก็ออกมาด้วยความโม่อย่างนี้ไม่ยอมออกเอาให้ออกด้วยความฉลาด อ, ออกทุก็พ้นจากทุกไปด้วยความฉลาดปัญญาก็ปักตรงที่ไม่มีทางออกเหมือนไปปิด ป, ประตูตีหมาขี้แตกมันแตกในห้องเด็ก เอาเห็นเป็นอะไรก็เป็นอี้สลออกพยานั่งหอมสลอกไปนี่หรนีล้วาลาดไปไม่ยอมลงเลกองค้ำนานั้นมันจะออกมไม่ได้เอาที่นี่คือปัญญามีจะออกด้วยทิธีสล่านออกไปทีโม่ออกี่ทีโม่นั้นออกไม่ได้ไม่ออกเอกา้วยการถอยทับกับแพนเนี่ยมันออกม่ได้เอาออกเรื่ความ่ละ ทุกขาทำมาเป็นของจริงมาตั้งแต่ขั้นพุทธการก่อนพุทธการในการไหนว่าเป็นของจริงอยูแล้วถ้านทุกเป็นของจริงพิจารณาให้หลวมสมุทัยก็เป็นทำของจริง อ, อันหนึ่งมาพิจารณาละผ่อนให้ได้เรื่ออบายของตรีปัญญาจะเป็นนิโรธขึ้นมาคือนะความดับทุกข์ขึ้นมาโดยเดียวเหมืนไม่มีทางออกของจริงันก็สู้ทิ่ต่อสู้ทิ่พิจารณาคนน้นคว้าเหมั้นทุกข์มากเพราะอะไมันยิ่งขุดค้นลงไปที่ตรงนั้น เทียบเทียมให้ได้ทุกสัตวทุกส่วนทั้งส่วนร่างกายทั้งส่วนเวชนาทั้งส่วนจิตที่ไปเกี่ยวข้อง <c oughs> ย้อนกลับไปกลับมาตลกทุกคนไหมสัก ส, สี่ร้อยสี่พันผลอยู่ที่นั่นแต่ไมย่ยอมกระเส้ิฐจิตแยกออกจากนานนั้นเลยบางท่านผมก็เข้าใจอ ท, <c oughs> ทุกจะดับไปหรือไหมห่ดับไปไม่เป็นปัญหาถ้าลงสติ ป, ปัญญาได้รอบแล้ว <c oughs> ไม่หวั่นจิตไม่หวั่นเห็นเป็นความจริงทุกจิตทุกอย่าง ปัญญาที่มีในส่วนร่างกายยุเวนาที่ปรากฏขึ้นมากน้อยม่ต่างอันก็ต่างกีไม่กระทบกระเทือนกันทุกถึงขนาดแต่ก็แตกไปแต่ใ จ, ใจไม่กระเทืนอนเพราะรู้รอบแล้วว่าทุกเป็นทุกกายเป็นกายจิตเป็นจิตไม่ให้อันหนึ่งอันเดียวกันด้วยปัญญาที่เห็นชัดแจ้งแล้วในขณะที่พิจารณานักอย่างี่บอกออกด้วยวออกกความชั่งชั่ ก่อนต้องลอดเวทนาเป็นนรเป็นของเราปอดเท่าไรแบกขามเท่าไรมันยิ่มหนักยิ่มร้อนเลยเพราะพิณาเยกแยกกันเห็นตามจริงแล้วมันก็ปล่อยปล่อยแล้วต่างกันต่างจริงอาการอาการทุกเวทนาก็ดับถึงทุกเวทนาแสดงอย่างเต็มที่เต็มแบบเพรานั้นก็ตามจิตก็ยิ้มได้อย่างสบายเทาะไม่กระเทยจิตเลยมันแยกกันได้แลยวมันต้องชัดอย่านั้นที่การพิจารณา Down, wa, g. G. พิจารณาด้วยปัญญาอย่างเอากิงเาจังเอาเป็นเักษาะว่าเวลาเห็นมันเห็นอย่างนั้นรู้อย่างนั้นดีพิจารณาขราวหลังเราจะไปอุบายของเก่าประยุทธ์อดีตมาใช้ทำไมได้ต้องหาหมัดปัญญาเอาปัญญาเก่าที่เคยใช้แล้วมาใช้มันไม่ได้มันเป็นอดีตไปแล้วเพราะการปฏิบัติต้องมุ่งผลตรงต้องมุ่งปัจจุบันเสมอกิตให้ลงปัจุบันพิจารณาในวงปัจจุบันมันจะเป็นอุบายเหมือนเก่ากระจามแต่ามันเกิดในปัจจุบันเราจเอาอุบายเก่านั้นมายึดมา เป็นเครื่องมือใชอ้มันเป็นอดีตมันไม่ได้ผลนีเพื่อพิจารณาอย่างนั้นวันนี้เป็นอย่างนี้วันนี้เนแนละเอาจนกระทั่งถึ ง, ถงเหตุ ถ, ถึงผลกันประจับเช่นเดียวกับสันข่าวเอีย๊ยมด้วยอุบายปัญญาชานิดไหนก็ตามชานิดนี้ก็ตามชานิดเหมือนก่อนก็ตามถ้ามันเป็นปัจจุบันขึ้นมามันก็แก้กันได้อือว่ามันรู้ทันหนา น, น่นแ้วแม้แต่ความตามันก็ไม่เห็นปู่อะไร คำว่าตายมันหลอกกันเวยๆวางหลอกลอด้วยความโง่ไ้ไม่จช่ตั้งใจหลอกกันกลัวต า, ดายด้วยความโ่ความจำขันโอหกันมาปล่ามัางมันไม่มีอะไรตายนี่เวลาพิจารณาไปจริงๆแ้วธาตุนานนานามันตาเยเมื่อหร่ดินน้ำลงไปมันเคยตาเยเมื่อไหร่ปรชาช้าเขาดินน้ำลงไปมันที่ไหนเวลามันมาเป็นรูปเป็นหน้ามันก็มาจากดินาน้ำลงไปมันก็สมวนกันมีนจิิญญาตัวการเท่นานั้น เปลี่ยนลักษณะธาตุขึ้นมาเล็ก ๆ, ๆน้อยๆก็ามาเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายขึ้นมาว่าหลมกันอย่า ง, ง้ทั้งๆที่วนเป็นธาตุเดิมที่มันอยู่นดดัมม่นแหละเหนไหมพี่น้ําถึงความจริงมันแล้วอ่าถึงขั้นตายตายอะไรตายเนาะหาไล่หานี้อะไรมันตายเแี่ยทำไมถึงกลัวตายนักไล่ลงไปไล่ลงไปอ่าเวลาสงสารไปนี่อะไรเป็นอะไรอะไ ร, อะไรที่หายอะไรไม่ที่หาย เวลาลงไปนี้ดินก็เป็นดินน้าเป็นน้าลมเป็นลมไฟลไปใจก็เป็นใจอย่างนี้ยิ่งขนาดพิจารณานั้นมันยิ่งเด่นเดนชัดใจเห็นได้ชัดรู้เด่นว่าเปน็นหนึ่งจากสิ่งอย่นี้อย่างชัดๆเดียไม่สงสั ย, ยแล้วอะไรตายคิตมันก็ไม่ตายมื่อก็รู้อยู่เด่นๆนี่อะไรไต้องตแล้วกลัว อ, อะไรทิ่มกลัวลมกลัวแรงที่ไหนนะนะทุกเวิทนาที่จะดินขึ้นมาขนาดตายมันก็เวทนาหน้านี้แหละนะที่เคยเป็นอยู่เวลานี้ที่เราพิจารณา มันจะหน้าไหนมาหลอกเราได้เมื่อเรารู้ชัดเจนแล้ววันนี่คือทุกเวทนาเป็นอย่างนี้เป็นความจริงอย่างนี้เวลาจะตายมันจะทุกข์กัะเวทนาตองมาจากไหนมันก็ต้องเป็นความจริงมันด้านเขา่าถรรพณ์ไม่กลัวเลยต่ยก็ตายไม่มีอะไราตายมันคือความสลายของธัตุนี้ออกไปจากกันไปนสู่ธาตุเป็นของตนอีกก็เป็นจิตเนียมันรู้ในท่านขนาดนั้นแลมันจะกลัว นี่พี่กินได้อย่างนั้นรู้อย่างนั้นจริงๆถึงได้อ่านได้หานได้พอได้พี่จะวันหนึ่งแล้ววันหนังยิ่งอ่านทันดีเพราะมันมีเครื่องมือต่อสู้เคยเห็นผมแล้วโยบายี่ธีตั้งแตเด็กมันจะยอมแพ้ไม่ได้ขุดกัลงไปอเมื่อเวลามันขุดลงถึงความจริงเต็มที่แล้วต่างงานต่างจินประการหนึ่งอีประการหนึ่งก็ดัหม การมันก็ไม่มีเลยหายเนี้ยแต่ยังไม่สาคัญนะการพิจารณาสําคัญนะการมันหายหมดนี้ไม่ได้นะมันเป็นไอ้กุญแจที่คุณรู้แต่สําคัญมันเป็นความสำคัญแต่มันไม่ทับมันดับเกิดความต้องมันเป็นความสาคัญที่ถึงมันไม่ดับมันเป็นผลเกิดขึ้นจากตัวเองจากมึดเกิดขึ้นในตัวเองจากการปฏิบัติมันจึงเป็นปัจจั้งปัจจางรู้เองสังเเป็นผลขึ้นมาในวงปัจจุบัน มันเป็นธรรมเห็จากิพิจารณาม่ามพิจารณาเท่าไหร่ก็ยงอาจย่งหาถ้าลงไี้ตังแล้วความแท้นี่ไม่มือน่อาต า, ายก็ตายเลยเถอ ะ, ะแต่จิตที่มันกจิตเ้าหลายจิตผมเมราว่าอะไรก็ไม่ทราบมันจริงกัมัน เ, เลยเหมือน ห, หินหักเอามาต่อกันไมได้ถ้างไี่ว่างั้นด้วยเหตุผลแล้วจะต้องเป็นอย่างนั้น เป็นอย่างอื่นเป็นไม่ได้เมื่อตาก็ตายไปเลยจะมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงจากเหตุผลที่ถูกหลอกแล้วนั้นเป็นไม่มีนะเด็ดเันเด็ดการฝึกธรรมานตรงนี้มันหนักที่สุดเอาลงถึงเป็นถึงตายของด้วยถ้าเราจะเทียบกับเพื่อกินได้เพื่อมือจริงม่ใช่เพียงปากสัมสอนยนง้หมือหนึ่งสอนหมุมเพื่อนตุด้าว่าเก่าเป็นพื้นเป็นไฟก็เป็นพื้นเป็นไฟแต่เสียงแต่สีปากเฉยไม่ได้ถึงกินถึงมือ จับมัด ก, กันเหมือนเราจับมัดเราหรือเราได้จับมัดเราบีงจับมัดย่างไงเอา น, นั่งนี้รูไ้ไปได้นะนั่นตั้งแต่จากนี้ถึงเวลาเท่านั้นเช่นการสะบัดนี้ถึงแม้ทั้งสว่างนี่เป็นเวลาที่จะลด ค, คาดสุดทั้งนั้นเป็นก็เป็นตากตา็ตาที่ตรงนี้จะเคลื่อนคาดไปไม่ได้อ่เจ้าปัจฉวะอะไ ร, รอยู่ไม่ได้เอธาธารักออกไปตื่นข้ามาลางได้ทั้จะเกิดมาใหม่หมไม่ลรู้ภาษาที่รดตัก พ่อแม่มีสักกี่ครั้งจิตปวนมานี่คิดที่รถตักเตะไม่ได้ลดคนเลงไม่ได้เลยไม่ยอมมีข้อแม้ให้ ม, ม, ม, มันถ้ามีข้อแม้เล่นตั้งแต่ปัตตบะอุชระมันจะพยายามหาทางออกระยะจิตปวดมามันต้องสู้อะไรมันจึงไม่ให้มีข้อแม้อะไรมีข้อแม้เฉพาะครูอาการเป็นความผู้ช่วยเกิดขึ้นในวงวัดพระในวัด กิทุกทุกเหตุจะเป็นจะ ต, ตามเราเปนข้ามวันคืน ม, มีเรื่องเรายกเว้นให้แต่เราแน่ใจ่ว่ามันไม่มีหากว่ามีก็ออกตามนั้นเพราะความจำเป็นมันเหลือ น, นี้เดี๋ยวก็หมูห่าครูอาจารย์เราให้ยกเป็นข้อยกเว้นให้สาหรับเราเองไม่ให้มีเลยถ้ามีมันจะออกช่องนั้นเสมอแค่นีนน้เลยไม่เห็นกําเห็นแดงกัน มัดกันไปเนี่ยสอของสอนเรื่องคำมัดเอาถึงตัวถึงตนถึงเต็มถึงมอองือคนดยังไงเอาจิ ง, งจริงฟันลงไปจรตาก็ตายสอนมืก็เนมนเปปากเฉ้กรดุกเพราะว่าตาดุกระดุกหรปากดเของมันเอาถึงมันตาเอเป็นก็เป็นตาตาขน้ำมันมันมันจะไม่หนักไม่ย่อไม่ลูกตาก็ตาี โลกเขาตายทั้งนั้นเรานั่งภาวนาจนชนิดจะกลัวตายหรอวออกไปแล้วมันทำไม่ตายเหรอือว่าเนี่ยมันย้อนกันปัญญาถ้าออกไปแล้วไม่ตายก็ออกได้แต่โลกมนตากนั น, กอ น, อ น, าคคนทั้งนั้นเกืดอนเปบนแต่ปัจฉาของสัตว์ของบุคคลทั้งนั้นเขาไม่นั่งสมาธิเขาก็ตายถึงเวลาแล้วตายนี่ทำไมจะกลัวตาย เ, เราจะนนั่งเพื่อหาคุณงามความดีของเ้าทำไมกลัวตาย ไม่มีทางออกมันก็ขุดค้นลงไปเวลาจนกรอบมันเกิดสติปัญญาคนเราไม่ได้ม่วอยู่ตลอดเวลาเวลาจนกอกนั่นแ่ะมันหาทางออกมันได้ไอออไดีไม่หาต้องออกทางโง่้นะสอนของออกทางโง่ด้วยความท้อแทบเลยด้วยความท้อถอยอย่างนั้นไม่เอาสู้ไม่ได้ไม่เอาใหาออกด้วยความเฉลี่ยมันก็ออกของมันดังนั้นออกด้วยความเฉลี่ยจริงจริงจะว่าคุยก็คุย เรออกด้วยความสละนั้น อ, ออกจากทุกขเวทนาที่มันกลงนั้นเ้ื่อุบายวิธีรู้เท่าทันมันจีบไม่เข้าไปยุ่งพัวพันกับมันมันก็สบาดหืูออกด้วยความสละแต่ก่อมไม่เป็นยงนั้นเวลาพิจารณาเข้าไปแล้วเันแยกกันได้เป็นไม่หลังแทบจะเวลาจึงจบมันรู้ได้ เพราะเราออกจิงออกจังตอนนั้นไม่จริงไมจังก็ตายจริงเนี่ยอ่าวว่าไงแล้วจะพิการณาเห็นก่อนคือทุกข์จะเกิดเกิดขึ้นนี้จะดับหรืไม่ดับก็ช่างทุกข์เถอะเราไม่ไม่ต้องการว่ายาให้มันดับซึ่งจะเป็นการเพิ่มกิเลสขึ้นมาที่เรียกตัวสมุทัยภาวะตัญหาอยากให้เป็นไม่ได้ยากให้มันหายเราต้องการโดยความจริมความจริมีเท่าไหร่เราขอรู้ทั้งนั้นวันนี้มีอำนาจทำยกมือขึ้นสาธุวันนี้แต่จะทํามีทุกข์สัตวเป็นต้นมีเท่าไหร่ขอแสดงให้เข้าวประชาทนี้รู้หมด พิจารณาจะมาทั้งถึงเวลาเข้ า, ามาทาให้ถึงเวลานั้นาตายก็าตายอาศัาทุกแสดงให้เต็มที่วันนี้จะตาย ม, มันก็มีข้าพเจ้ายอมรับจึงมาทั้งเห็นถุกสัตว์เป็นความจริงนอกจากมันตายไปเสียเทานั้นมันก็สุขใจ น, นี่เราทางานแสบไม่กินจะคไปไหนไม่ได้ถ้าลงในทุ่มลมขนาดแล้วจะคิดได้เยือกออกไปข้างนอกนานไม่ได้นั่นจะไม่มันจะไม่เป็นทุกงไง กายก็เต็มไปด้วยฟืนด้วยไฟคือความทุกขก์ร้อนเต็มไปหมือนในร่างกายกระดูกทุกท่อนทุกชิ้นทุกอันเหมือนจะมันจะแตกกระเด็นออกจากกันผิวหนังก็เหมือนไฟเผาอย่างแม้แต่ข้อมือมันยังมอนก็จะขา ด, ดออกจ ก, กั น, ท, ก น, กออกนที่เมันบอกร้อนหลังมือที่วางทับกันความบอกร้อนนั้นมันเป็นเงินเล็กแต่แเราจริงข้อมือแต่และข้อละข้อมันจะขาดกรเด็นออกจากนั้นจากกันมันถึงกลางมันก็ดูทุก ทิ้งที่ต่อกันมันเหมือนับแตกออกไปเพราะมันเจ็บมันปวดมันเสียดมันแทนเหมือนหอกเหมือนเหลาทิ่มขึ้นมาทุกแง่ทุกมุมแต่สติปัญญามันไม่ถอยโซ่กันจนถึงตายว่ะในเรามันรู้นั่งมันมีอะไรกับเรื่องเอว่าหรือไปได้ผลหนึ่งว่ะเรานี่ยขันหยากมันต้องทํากขันยากพั้นมันต้องทำ ถ้ลง น, นิง้วทุ่มขนานั้นทีไรก็ทีนั้นไม่เคยพลาดเลยต้องเห็นความอัศจรรย์ที่เหนทุกครั้งความอจาจรรย์นี้ไม่เคยชินกันเลยอัศจรรย์แสดงขึ้นเมื่อไรก็รู้สึกว่าเป็นของอัศจรร ย, อย์อย่างนั้นตลอดไปไม่จีบจางเหมือนเราลัอาหารอาหารนักทำเจริญทั้งต่างๆแล้วเบื่อนี่น อ, อ, อาอจารย์นี้ไม่มีทางเบื่อมีพุทธนุ่งความจิงความจัง ควมโ ง, ง่ความตลาดเป็นริงที่เราผิดมันได้แก้มันได้แก้จ า, จากโง่ให้เป็นตลาดแกอได้ช่ยิทช่วยถุยธรรมะทั้งหมดเป็นบายช่วยถยเท่ทานันามจิมนจัเราตำปรเนทรรมเนม น, นได้เรื่องอลักปัญที่เลยนี่เป็เริ่มงมีธารมนันนนยบทพิรือหน้ากายต่างต่างหนกระดิ่ง แต่ที่มันเด่นที่สุดก็คือพิจารณาทุกเวทน า, ายิ้มไม่ได้เราหลอกย่อยอะไรยิ้มลำบากทำไมถ้ามันรู้มันอาจถารละมความขายันไม่ต้องบอกหมุนติวติวติ ดึงไปถึงสติดปัญญาจะโนม้มน้ด้วยแล้วไม่มีอะไรเน่ยสาวความขี้เกียนหายไปไหนหม ด, ดมันหมุนอยู่นั้นทั้งวันทั้งคืนอยู่กับใครก็อยู่ไม่ได้มันเสียเวลาเช่นหยุดชะ ง, งักไปคุยกับเขาหิุดชะาักไปคุยกับพระ ก, กับาาะอะไรว่าได้งไงงานต้องทั้งๆมันมีสติอยู่ ม, มันก็ต้องหยุดเหมือนเรากำลัเสียนหังสือคนมาหาถึงเราจะไม่ลูกจากที่เขียนก็ตามในขณะนั้นก็มันเขียนไม่ได้ จับปากกาอยู่คนียวไม่ได้ต้องดือดพูดเดือพรเขาเรืนเรื่องลขาก่อันจะมาแทนได้หนีก็ผ่านเวลาเยวลาตรงนั้นการอยู่คนเดียวมันเหมือนที้ว้อยู่ไ่ถึงเวลาอยู่ไม่ได้อยู่ไม่จริงนจะเอาจะเอาลดเวลาเวลาเป็นนิดหนึ่งก็เป็นมีค่าแล้วเกินในรับนีเวลาเวลาเราขยันแล้วมันจะนดีน่วารู้ พอที่เดียวไม่มีหายหน้าไปหมดเลยพอตื่นพับกับงานจิตกำลังมันวิ่งถึงกันแล้วปั๊บไม่ต้องบอกสติไม่ทรามันเผลอเป็นไปไหนไม่ปลับมาตองนี้ทั้งวันทั้งคืนเม่แตลกทนั้นมันติดงื่กับงานนั่นตลอดเลแม้แต่ฉันนงี้มันก็ไมติด้เกี่ยวข้องกับรถกับชา้นเกี่ยวหวานเค็มอะไรเยจิมันทางานวมันป๊อปป๊อมันจะมีรถมีชาตแล้วอย่าหางฉันมันนั่นแหละ ทำอะไรๆมันก็ไม่ปล่อยงา น, นงานภายในมันไม่ปล่อยนี่นอัตโนโมาต้าผมบังคับมันชา น, นอกซะย้ำๆว่าเวลามพิจรารณาเพลินจนเกิดเดือเพินผลมันหนื่อยจิต ใ, ใจคือคาวามคิดความปรุงมันเป็นงานของจิตเมื่อคิดมากพิจรารณามากมันก็ทําให้เคลียร์มันก็ไม่ถอยมันจะพิจารณาเรืเเ่อยๆเพราะเห็นผลจากการพิจรารณาเสมอมอ ร่างในถึงนั้นรู้เท่าตรงนี้เข้าใจถึงนั้นไปเรื่อยๆพอเข้าใจตรงไหนมันก็ปล่อยร่างนะครับเข้าใจได้วปัญญามันปล่อยๆอยงนั้นนี่เด <c oughs> ีต้องยับยั้งบังคับก่อนไม่ทํางานเพราะมันจะตายแล้วผี น, น, นอนมนก็ไม่หลักเพราะมันทําเพลินในการงานไม่ยอมหลับนั่งยุ่งกับพิจารณนอนให้หลังมันก็พิจาง ตงในบังคับเปนจิงต่างๆบังคับกห้เราสู่ความสงบนี่จะต้องถูกบังคับแต่ก่อนเขาว่าแก่เรื่องความสงบพอกำหนดปัาบมันลงแนวเลยหอันเดียวเท่านั้นไม่มีอะไรอยูอความรู้ล้วนๆแน่วแต่ความรู้ทันรู้มาควารู้ในวงสมาธิหมายถึงองคความรู้ที่โพจากวิชาเนี่ยเนี่ยถอนออมาน่ากระทบกระเทือนสิ่นั้นสิ่นี้นันมานถึงลำคาลเข้าเรื่อปั๊บปั๊บหรือสมาธินีระยุ่งนี่มันก็ชานาญมา ไม่ได้คุยเรืมาธิเขาจะมาติดไปยากอยู่ว่ามั่นเนี่เวลามันออกนั้นพอเห็นคุณค่าของทางทางน่านปัญญาแล้วมันกกลับมาเห็นโทษของสมาธิว่านอนตายเฉยจะฝัดไม่เห็นปิจิานนี่มันก็ไม่อยากจะเข้าเพลินสบายแต่มันก็ผิดอุทธัจจะความฟุ้งเกินตัวติดในความฟุ้งเกินตัวของตงัวองร่างเข้ามาบังคับเข้ามา ให้เข้าสู่สงบสงบไม่ได้มันควาไปจนเอาพุทธโธหนักขน่ดนั้นมาเบรกการพุทธโธที่หยิบเลยต่อพอแยกบังเพิดงทางๆหนอมันจะไปหางานบางคับก็พุทธโธพุทธโ ธ, ท ธ, โธเป็นกระทนันหันแนวเพราะมันจะตายอยู่แล้วนี่เนื่องจากนานมันปนิมุนปนิบทั้งวันทั้งคืน เราบังคับของผู้ต้โต้้งใจบังคับจริงๆอย่าง น, นี้อันนี้ต้องมีบังคับถึงให้สงบต้องบังคับการทํางานในการปรินาคุ้มคว้าไม่ต้องบังคับอืมเป็นวยนั้นไปเองแต่เวลาจะให้สงบนี้ต้อง บ, งบออังคับพอสงบลงไปมันมีกําลังมีสบายอ่อนนิ่ ม, มสมบูชาเบ้าหรือปล่อยานะ อพอถอนเอาพอถอยออกมาตอนปัป๊บๆแล้วมา ป, าปเอาเลย ท, นทีนี้รู้สึกว่าผิดการพิจารณาอะไรมัน ร, รู้ได้อย่างรวดเร็วคล่องแคล่วผิดตรงกับที่ผิดมันเป็น ไ, ไหนๆนะเราก็เริ่มเห็นคุณค่ า, ข, าของสมาธิเพื่ อ, อก่อนสมาธินอนตายเไปเวลาเราหักห้ามผิดจากการพิจารณาเข้ามาสู่สมาธิ ในขนาดที่เข้าสู่สมาธิมันจะมีความกรบอกจมเย็นสบายพอถอนลงไปแล้วก็เหมือนกับคนมีกลังวังชาจากการนักษาขอนเราเลือกทํานท่มีกํลาลังแล้วทํางานแล้วก็เป็นชิ้นเป็นอันมีกํลาลังวังชามี่ที่วฬาสมาธิอบรมสมาธิอ้ม อ, ม, อมปัญญาสมาธิปัญญามีสมาธิปรญญาภายกามปัญญามหาพลาโหมถึงมหารสร้าง ส, าสมาธิอันปัญญาอบรมแล้วจะมีผลมากมีผลสูมาก ค, าคาือความคล่องแคล่วว่องไว ให้ขันใจมันก็มีที่ได้รับแล้วฟันงองันนก็ขาดไปัญญาที่สมาธิอบรมบูรือให้ใน้พักตัวให้หมดแล้วแล้วพอที่น้ำ้าแช่ว่างไว้เ ร, วเราเนืถนัดใจของเราเป็นกิปัญญาอัตโน ม, มัติตันทั้งโดยการทั้ง ม, มาหาสิทธหาปัญญา คือเป็นไปเลยหมุนตัวไ ป, ปตลอดจนกระทั่มันกิเลสมันขึ้นไปหมดมันทั้งจะดูดถ้ายังมีอยู่มากมากมันจะคุยเขียวขุดคน้นหายจนหมดเพราะนั้นมัน ม, มีแล้วคําว่าจะแพ้อะไรคืนถึที่เลสจะไมากิเลสประเภทไหนก็ตามจะไม่ยอมแพ้นอกจากให้ตายบนเวทีถ้าเป็นนักนักมวยไปต่อถ้าตายนีงคำว่าแพ้มาให้มึงถ้าแพ้ก็ตายอยู่ตรง น, นั้นเลยบนเวที เอาตายไปส น, นามรอบนี้เลยไม่ใช่มันจะล้มด้วยผู้ค้าในตลอดเวลาถ้าเราฝึกขัดเรกินเ ร, เราจังมันต้องรู้ต้องเห็นด้วยไหนมาพูดกันอย่างป้าๆพูดแบบโมฆะนี่เกิดประโยชน์เอาคมจริงมาพูดทําเป็นของจริงพระยาสอนเพื่อความจริงผู้ปฏิบัติให้ปฏิบัติจริงจะรู้จริงให้จริงตามส่วนทานั้นนี่ตามกําลังเรื่องปุตตะขั้นต้น คาพัก็แก่ก้าสา ม, มารถเลุเป็นหมลงานนั้นสเร็จแล้วมันก็แสนสบางานอะไรจะไปยุ่งยากวุ่นวายละเอียดและอ่อนิ่งของงานธรรมฐ า, านงานของคราบงานก็จจฉนานกขคืองานเราานรจริญภาวนาสมถานิปัสสนานี่แหละเจสาลโมานาสารดวงตาแสจูอุชาม่ให้แม้ทั้งแต่วันบุตนี่คืองานของพวกเธอทั้งหลายที่ท่านนงางานนี้ไปทาให้สำเร็จพองงานนี้สำเร็จแล้ววันเลิศ วุติตามธรรมใจอย่างเสร็จกิจมาสันดาห์ก็เสร็จงานนี้งานนี้คืองานทอดแจ้ขควงานตัดถอนที่เหล็กอุปาทานที่มันเป็มั่นถึงมั่นในผงผลิตภายันนั่นเองกระดูกตลอดอาคารสามยี่สองทุกส่วนทั้งภายนอกภายในะมันยึดได้หมดเวลาพิจารณาคลี่คลายอยงน้ตามความจริงนี้นมันปล่อยได้หมดจนกระทั่งถึงวิชาเมื่อมีเหลือแล้วนะ้ำหลักงานทั้งหมดงานเบื้องต้นท่าน เอานี้ให้ก่อนเอาอยากๆนี้ให้ก่อนเกษาระนาระคานสายสุขพอพิจารณาเข้าใจแล้วมันจะคืนชาิไปเองในงานละเอียดทั้งหลายก็ริจตบรรดาพอตัวที่จะพิจารณาส่วนละเอียดนี้กนี้ได้แลว้วถ้ามันทะลพอทลุไปแล้วเสร็จงานดิ้นเสร็จได้งานสถานางานแก้านานิิ มันเสร็จแล้วมันสบาเดี๋ยวก็อยู่ไปาตากระตาไปไม่เห็นกำหนดกฎหมายในเรื่องการสถานที่อยู่แล้วเวลาพบหน้าพบหลังอะไรไม่สนใจเสจเี ย, ยู่ลา mm hmm. เรื่องสมมุตทิทั้งน้ำนิเวศก็เป็นสมมุติถ้ามันมีอันนี้อยู่มันก็ต้องไปเกี่ยวข้งของกับสมมุติเหล่านั้นถ้า ม, มันไม่มีแนละ้วจะเอาอะไรไปเกี่ยวเนี่ยมมเอโกนัทหัวเลยเป็นต้นต้นโดยลำพังอ mm ืม hmm. มีการทำโมมีทำแท่งเดียวกับความบริสุทธิ์เอกีพามีกระพเป็นเดียวเท่านั้นไม่สองกับสิ่งใรเลยน่อ่อาจารย์บัญาอธิบายบ า, ยายพูดนาค่อนข้างมันเหนือนวันนี้ดูดี